ประกอบขอทานทายกเลี้ยงชีวิตสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธบพิสุมีพระพุทธดีกาตรัสดังนี้แล้วปุณณะพระิตังพระองค์กลับมีพระพุทธฎีกาตรัสประภาสอีกใหม่เล่าว่าทศ า, าคตเป็นสมเด็จบรมกษัตริย์ทรงทศพิษราชธรรมนี่แหละพระพุทธฎีกาตรัสเป็นสองไม่ต้องกันอายังปันโโหปริศนานี้เป็นอุพโตโกติ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 ข้อที่ว่าสมเด็จพระบรมโลกกาศาสดามีพระพุทธดีกาตรัสว่าพระองค์เป็นกษัตรินั้นเหตุผลเป็นประการใดพระนาคเษนจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐสมเด็จพระบรมโลกกาศาสดามีพระพุทธดีกาตรัสว่าพระองค์เป็นกษัตรินั้นด้วยเหตุว่า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 งมั่นคงดำรงอยู่นานด้วยกำลังแห่งพระคุณธรรมดุดสมเด็จพระบรมกาัตราที่ราชฉันนั้นมหาราชขอถวายพระพรสมเด็จพระจินนรบรมาศาสดาจารย์มีพระพุทธดีกาตรั์เรียกพระองค์ว่าเป็นพรามบ้างเป็นกษัตรบ้างด้วยมีเหตุมากมายหลายประการแม้ภิกษุจะเป็นผู้มีโวหารอัญชลาด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 ยอรพระกรอ น, นอบนบเคารพท้องสาธุการดุจในยะหนหลังพระควโตราชะปัญหาเป็นคำรบเจ็ดจบเท่านี้